รัตไรพิดกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสามประสูตรที่สี่โปตาริยสูตรสูตรว่าด้วยโปตาริยาคฤหบดีพระผู้มีพระภาคประทับณนนิคมแห่งแคว้นอคุตตราปะชื่ออาปณนะโปตาลิยะคฤหบดีเข้าไปเฝ้าในขณะที่ประทับพักผ่อนในเวลากลางวันณโขนไม้แห่งหนึ่ง เมื่อปราัยกันพอสมควรแล้วตรัสเชิญให้นั่งแต่ขฤรหบดีโกรธที่เรียกว่าขฤรหบดีจึงนิ่งซะต่อเมื่อตรัสอีกถึงสามครั้งจึงประท้วงว่าเรียกตนเช่นนั้นไม่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาการเพศเครื่องกาหนดหมายของท่านเป็นอย่างของขฤรหบดีโปตาลิยะตอบว่า ถึงเช่นนั้นตนก็ห้ามการงานทั้งปวงตัดขาดโวหารทั้งปวงเสแล้วเมื่อตรัสถาไม่อธิบายจึงอธิบายว่าตนได้มอบทรัพย์สินทั้งปวงให้เป็นมรดกแก่บุตรทั้งหลายแล้วตนไม่เกี่ยวข้องด้วยอยู่อย่างเพียงมีกินมีนุ่งหม่มจึงชื่อว่าห้ามการงานทั้งปวงตัดขาดโวหารเสแล้ว ผู้มีพระภาคตรัสว่าท่านกล่าวการตัดขาดโวหารไปอย่างหนึ่งแต่การตัดขาดโวหารในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งเมื่อคราห บ, บดีขอให้ทรงอธิบายจึงตรัสอธิบายทรงแสดงธรรมะแปประการที่เป็นไปเพื่อตัดขาดโวหารในอริยวินัยคือหนึ่งอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์ละการฆ่าสัตว์ 2. อาศัยการไม่ลักทรัพย์ละการลักทรัพย์3อาศัยวาจาจริงละการพูดเท็จ4อาศัยวาจาไม่สอเสียดละวาจาสอเสียด 5. อาศัยการไม่โลภเพราะความติดละความโลภเพราะความติด 6. อาศัยการไม่ติเตียนด่าว่าละการติตเตียนด่าว่า เจ็ดอาศัยการไม่โกรธขับแค้นใจละความโกรธขับแค้นใจแปดอาศัยการไม่ดูหมิ่นท่านละการดูหมิ่นท่านเมื่อคริอหบดีขอให้ทรงอธิบายทั้ง8ข้อจึงตรัสอธิบายแต่และข้อโดยวางหลักว่าตนก็ไม่พึงติเตียนตนเองได้ผู้รู้พิจารณาแล้วก็ไม่พึงติได้ เระเหตุแห่งความชั่วนั้นๆเป็นปัจจัยครั้นแล้วตรัสอธิบายการตัดโหหารอย่างเด็ดขาดด้วยประการทั้งปวงในอริยวินัยโดยทรงเปรียบเทียบว่าอริยสาวกย่อมเห็นกาเหมือนชิ้นกระดูกที่ไม่มีเนื้อติดเห็นเหมือนชิ้นเนื้อที่แรงเหี่ยวแย่งกันเห็นกาเหมือนคบหญ้ามีไฟลุกที่ถือไปทวนลม เห็นกาเหมือนหลุมฐานเพลิงเห็นเหมือนสิ่งที่ฝันเห็นเห็นเหมือนของที่ขอยืมเข้ามาและเห็นกาเหมือนผลไม้เมื่อพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วก็เจริญอุเบกขาคือความวางเฉยที่ความยึดมั่นในโลกามิตรหรือเหยื่อล่อของโลกดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือเมื่ออาศัยความบริสุทธิ์แห่งสติ เพราะมีความวางเฉยอย่างนี้ก็ได้ปุูกเพนิวาสานุสติญาณคือญาณอันระลึกชาติได้จุดูปปตาตยญาณหรือทิพยะจักษุญาณญาณเห็นความตายความเกิดหรือตาทิพและเจโตวิมุตปัญญาวิมุตความหลุดพ้นเพราะสมาธิและปัญญาอันไม่มีอาสวะโปตลิยะคฤือหาบดี ก็สันเสริญพระธรรมเทศนาประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต